เขานับตัวมาชีวิตเขาว่าท้าปิดเครื่องหนึ่งถ้าปิดเครื่องหนึ่งจะได้เรื่องจะหลับสมองก็ได้เรื่องไม่หลับก็ได้ล่ะเรื่องหลับตามันไม่สำคัญเราว่าเราหลับตาได้จะทางานได้ไหมเราหลับตามันจะช่วยอะไรได้มันช่วยได้แต่มันช่วยไม่ได้เพราะหลับตามันไม่มองเห็นอะไรก็นั้นเองสมมติคุณมานั่งหลับตาอยู่ที่บ้าน ต้องไม่ตัวเราเ็ราเราหลับตาด้วที่นั้นเราจะหนีไม่ได้ถ้าไฟไหมถ้าหมือเราไม่มีทางไปคนที่เราะตายไฟไหมอยู่ในนั้นเลยแต่ว่ า, า, าต้องรับขึ้นรับขึ้นเงนก็เหมือนกันนะอะไรก็เหมือนกันเราเลื่อนเงียงี่ยเงี้ยเงีมันจะยีนกับกรา Your eyes It d e p e i n d on you, but uh, in his opinion, uh, if you open your eyes, h a n do u can do everything in your daily life. And it n his opinion it is useful. But when you close your eyes, for example, and uh, and the house get into f i v e <laughs> then you uh, you don't know what. Uh, what happens? Then it will harm you. But if you think that uh, you have closed your eyes and then you can do your job, then it's okay. <laughs> <laughs> Excuse me. h uh, in that case, uh, since you say it's better to keep one i n e open at all times except when s l e e p g u are you then suggesting that o n e you sit down on t e a p e m i l i t a r w i s e s o i s walking around doing t h e i job? because uh, your uncle made a d a ปฏิบ mm ัติแบบนังตานี้เนี่ยหอวงพอแทนที่เราจะมานั่งแบบตาเนี่ยเราก็ลุตาแล้วก็ไปทำงานทำการด้วยและปฏิบัติด้วยอย่างนั้นจะดกว่าใช่ไมก็ไม่ให้เสียจเจนหนาเพราะที่ปัฒานาเอาไปใช้กรงมกรรัตอ you just you you just do your daily job or your daily activity And to do vipassana at the same time, because vipassana can apply to uh, any to your daily activities. w e take a bath, we feel the coolness of the water by ourselves. Other person cannot feel that coolness for us. And if we say that the water is cool, other person cannot know it's really cool or not, because they don't have that experience. But if we say that the water is not so cool, how can other person know that i t If a person has attained self-realization, is it necessary for the person to seek u t another person who has attained a higher level? In order to learn. เพ uh, really> um wh ื่อวายดันเพื่อให้ถึงเหตุคือสอนอะไรรู้ธรรมะหรือว่ารู้แจ้งแล้วเนี่ยจําเป็นหรือไมที่จะต้องหาคนที่มีความรู้แจ้งสูงกว่านั้นเพื่อให้ความรู้แจ้งของตขึ้นด้วยคือถึงที่สุดแล้วอะไรจะเนเช็ดไม่มีเนื้อดำผ้าสีดำเนี่ยดำขนาดไหนจะเอานโอมที่อะไรมาให้ดำตัวผ้าดำําไปเลยละ ดำตุดกับดำเท่านั้นของหอมหรือว่าแดงแล้วจะเอาสีอะไรมาย้อมผ้าให้มันแดงหรือสีแดงนั้นมันก็ไม่ได้ก่อนแดงก็ตุดกับแดงเท่านั้นไม่ b บง k ์ล่มสลายในวันที่10ม h ถุนายน2 2 Uh, when I come to a c t i v e uh, the other k i n d of metal, w i t h o u r controlling myself. ปันจจัยตัวบิดต่างที่เราทำความรู้สึกตัวมันตื่นตัวอยู่ตรงนี้คือดูต้นต่อของชีวิตจิตใจของคนทุกๆค น, คนมีตรงนั้ by being aware of oneself one c o m e to the very top s o r c e of one's life Which is uh, La ร a Canyon Festival. That we are now going to s t a r ว to t a o u t in t i s c e d w e l c o m r e is my talk. And everyone has already come. o so, c m e พอมด่ังนั้นจิตใจเดินก้องเรานั้นมัน มาอก ก็ให้เรามีความรู้สึกเมหายใจมันทำให้เราสงบตรงนี้เมื่อเราอยู่จะต่อเอาอาณาปางมาจะเขาเขาชอตดิสลองดิสแอนด์โรสไม่ต่อคำเชิญคำยาวจะมามันไม่เกิดปัญญามันสงบ อ, อันนี้เรียกว่าสงบใต้โมหา และวิธีน n ้ไม่สามารถ o ลายความวิตกกังวลได้ c a ่เป o นเพียงการบรรเทาอาการและวิธีการนี้เป็นเพียงกา l u s i o n มันไม่สงบด้วยปัญญาพทธศาสนาสอนให้เราสรมกด้วยปัญญาไม่ให้สมกใต้โมหะให้สงกเหนือโมหะสมกด้วยปัญญาส ม, ดมากสมด้วยการเห็นแกแน้การรู้จริง ที่เปนที่ักวิทยาศาสตวทยวทยานั under illusion b e c o m with wisdom we realize we awaken งนการศึกษาจึงมีมากศึกษาลูจ้จำลูจ่จ รู้มมจำมาจากโัรบากรู้มมจำมาจากตัวหนังสืออันนั้นสมดน้อยไม่สมด้วยมาก ติดใจจากที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้ติดใจมันคิดขึ้น it's d i a n เห็นต้นตอของเศรษกิจของเราสงบเคยจิตใจสงบแล้วจดแล้วโสดโมหะนะคะในเกิดอีกแล้ว We see into the source of our life, and by blinding our i n d we are free from g r e e anger, or lust. h this is t t h a n Nang n g Here, this i t u s a n s t s r a o d o w n t o the root of life. ที่มันปรากฏเราต้องดูลงไปที่ตรงนี้ ไม่สบ Mm -hmm. Formerly, we thought that nope, soda, Mohan, e i c t i c i t anger, and pollution. We are better. We have l e t t e r But t i l อาราหัโตมีฟ้าอเวซองวีเลสัตอิฟายหนึ่งฟาอเวซองอินสัมมาสัมพุทะพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองได้มดมดสอนตัวเขาสัมมาสัมพุทธะมีพระพุทธเจ้าโนบะจิเล Experienced by himself, or r e a i z e d by himself, and then he t h i n k that it. ความด้วยคำว่ามี one to know one to The origin of our life. ต้องให้บรรัยเห็นทันทีเหมือนเหนือวจับหนุูถ้าคนยังไม่มีปัญญาพอต้องเจริญสติให้มีสติที่กับการเคลื่อนไหวซึ่งจะยืนเดินนั่งนอนวิธีใดคนถามให้มีสติ่อยพวบคุมอยู่ทังร่างกายเป็นความสำคัญไปก่อตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงทำให้พวกบรรดาลัทธิาฝังคนเสียมัน there many levels of p e According to their understanding or their intelligence, one who has much interest can directly see the God. But one who has l e s t or one who has less understanding have to be active f o movement. And this is only the practice that needs to s h e t h o u g h t งมีวิธีการสำหรับคนที่ยังใหม่คนที่ยังไม่มีปัญหาพอคนที่มีปัญหาพอแล้วไม่ต้องมีวิธีการอะไรทั้งหมดนเรา that some activists are s u g g e s i n for one who just begin but for one who has much e x e i e n c e t h s no matter ยายาตัวนยาพันธุ์ผลพันธุ์ฝักพระเจ้าแสดงวข้อธรรมคือใส่โลกทันทีไล้โกนรรมยัแต่ก็เทอร์มิสกิบุจาร์มาเว้นเทียนที่เป็นทุบจะม์ทีเอ็ไลท์เชนทีมีเทียนส่วนสคนนั้นต้อ ง, จงเจริญสติสนสิส่งรู้สารแต่เล็บโอเทอร์มิสแคทูแคทิสฟอร์เอเทน Then, like, like. We are all similar Someone... to the five elements. Someone believes in s u p t o r t can. t h e i k e to say the origin of the mind, but someone listen to the talk, t h i n t h i n k the origin of the mind, but still not c r h e n done it. n I u e t a i n t h i n y s o n w o คนที่ยังไม่รู้บอกคอยดูตาฝันวันดูแคนซีเรียนดูแคนซีมองวันดูดัชเชสเต็มใจจิตการเจริญสตินั้นเป็นจิงจังเป็นทุกคนต้องใจง The development of awareness is very important and is very important การทูตและเลใช่เด็กจะเป็นออลลอนออจึงมีวิธีหลายวิธีให้เราได้ปฏิบัติโตแดดมันไม่ต่ออพี่เอาพี่ไปรวมควมแนวจกมาปฏิบัติที่จิตใจที่เดียงนั้นเป็นที่สำคัญ but all of those m e t h o d <laughs> you haven't answered the question about whether you have a f u n t i o i g e a r t o n o i c e o We t i n h a t e i t s o m o Right hand. ปฏิบับทุกเหตุผลในแบบนี้อันนั้นมันจะ ป, ประวัตววิศาสตร์เพื่อมี่จะปฏิบัุเราต้องหาวธีกรารเช่นมามที่ทมือขึ้นข้อมือลอย่างนีน้อันนี้เป็นการเจริญจิไม่ใช่ว่าไปจะไปทำสมาธิไปนั่งหลับตไปนั่นิ่งไม่ใจ ด, ดีสมาธิจะตั้งใจมัน่นตั้งใจํามัติองุ่เ็ดเข ดีชดไฟเป็นยังไงบ้างแวบบบอมาที่ี้ามีด้านนี้มันก็จะเป็คือคุณตอ ที่ไหนก็ต้องกำหนดรูปทางดีทำเหมือนี่ยสมมตแมวอยู่ตรงนี้หนูมันจะมาทางนั้ก็จับได้มาทางนก็จับเพราะแค่หนูมามันจับได้ทั้งหมดดูว่าเอาไปออกออกออก movement out h e body even the small the minor movement ดูสิแมวดูสิตุลย์ลาย cat ทรงันคซึ่ัสติสมาธิปัญญาโภชนาโมหะโยภามันทรงนังคั ที่มีตำนานอยู่แล้วนั่นแะเป็นการยันตปกติเพราะมันเคลื่อนไหวที่หนเราก็รู้ That means we are unaware of our mind movement. ซึ่งเราต้องการให้มีสติถึงรู้จะมีความแล้วมีคำพู a w a e the, the, the mind movement because most of people are unaware of the m i n movement. I, <laughs> um, I, I think because of the time, perhaps we should take a break. Those people who have to work early tomorrow will have to go. I think. Mm -hmm. would, does m o n g q u g e n would he want to stay longer? And I s h a u l d ask a question. Do we want to stop now? l o n g p o i e at Princeton on 30 October 1982. ที่น้องสาวสิงคโปร์ ส, สามเดือนเพื่อเป็นการฝึกหัดวิธีปฏิบัติอย่างนัดรับหรือสบายสบาย ให้พี่น้องตาวสิงกระปุกพี่น้องจะพูดซีบรึถงกระปุกคำเดียวกันเลย ได้เข้าใจวิธีปฏิบัติขั้นบูริขั้นบูรขั้นบูริย์ข้ิข้นบูริิั้นริริข้ริย์้ิัััรร้ ให้พวกสาวสึงคโปร์ได้ได้ตั้งสมาคมขึ้นเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมเป็นการเผยแผ่ของกิน ให้ชาวโลกได้รู้ได้เข้าใจแต่ก็ไม่สมหวังเหงาพ่อมีควรจจำเป็น ม, มีโลกเกิดขึ้น เจ็บท้องครับหมอบบ ด, ด, ด, ดอีดีดีเขาขึ้นมาตรมหมอเซนกะโปบอกว่าจะเป็นผู้รุ่นดอกเตอร์นะเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะประตุีดีขึ้นเดี๋นี้ต้องนีบรักษาดีดดี จะโทรหาตับหลวงพ่อจ <ooooo> ึงจะกลับเข้าเมืองไทยจะไปรักษาที่เมืองไทย เมื่อโลกหายแล้วีอจะกลับมาหาพี่น้องสาวสิงคโปร์ตามเคยหา่ร่้นใลวรับยากโลกไ ม, ไม่หายก็ยังมาไม่ได้วิธีปฏิบัติ ได้แนะนำไว้แล้วให้พวก้่านทางหลายปฏิบัติเอาเอง ห, ห, ห, หลวงพ่ออยู่ด้วยก็ปฏิบัติให้ไม่ได้ เป็นแต่ผู้แนะนววิธีปฏิบัติให้เท่านั้นการปฏิบัตินั้นพวกท่านทําเอาเอง one, question. Question. จะรู้เองเห็นเองเข้าใจเอง การปฏิบัติแบบนี้่อยอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปี so อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวัน จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้หลวงพ่อเคยได้แนะนำคนมาเป็นจำนวนมากแล้ววิธีนี้ s <S เป็นวิธีให้ตื่นตัว รู้สึบตัวสมาธิกับการเคลื่อนไหวความรู้สิบตัวนั่นเนี่ยเรียกว่าสมาธิเราไม่รู้สึบตัว คือว่าไม่มีสมาธิสมาธิหมายถึงการตั้งใจมั่นทําการทำงานรู้การเคลื่อนไหวในตัวเองทุกจิิยบุนั่นแหละคือสมาธิอย่างแท้จริง การทำสมาธิแบบนี้ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ no no จะเป็นศรงผาไหนถือศาสนาใดนุ่งผ้าเสีอะไรก็ปฏิบัติได้ It is not concerned with the r e l i i o n What color is red? Red, t e kind of color. e l i g i o n nothing to d with the, uh, a t คนรวยก็ปฏิบัติได้คนจนก็ปฏิบัติได้ เด็กก็ปฏิบัติได้คนแก่ก็ปฏิบัติได้เพราะเป็นการปฏิบัติตัวเองคนไปจากควมเท็จเข้าถึงความไม่มีเทาจ <c oughs> เมื่อปฏิบัติอย่างนี้จิตนกลกญาณปัญญาจะเกิดขึนข้นอแรก็คือรวจรอ่อยอาะรู้ลูบรู้นามเร่อรู้นามรู้ลูบทำนามทำเรอึไ รู้โลกน้ำโลกรู้โลกนามโลกมีสองอย่าง โลกทางกายทางเนื้อหนังต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอให้ยารักษาจึงจะหายได้โลกทางจิตวิญญาณ ต้องจเจริญสติธรรมความรู้สึกจึงจะหายได้แล้วก็รู้ทุกขงังรู้อนิจจังรู้อนัตตา ค น, น, น, น, น ร, รู้สมสมุติเรื่องอะไรสมมุติอะไรในโลกรู้ให้คบให้จบให้ทัว่ว แล้วคนรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาศาสนาคือตัวคนทุกคนนั่นเองตัวศาสนาตัวพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาของคนทุกคนนั่นแหละ มั น, นมีนอยู่ในคนทุกคนแล้วแต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของนั่นแหลจะทำให้รู้หรือไม่ทำให้รู้ก็ได้บาป ก, ก็คือโก้คือไม่รู้ The บนคือสลาดคือรู้มือยืดไม่ต้องไปนึกไปคิดว่าอาดีตอนาคตนั้นไม่ต้องกําหนด ปฏิบัติเดียวนี้รู้ในศีวินี้มาตัเที่ยงยามทันเรืองที่มีตัวเล่าเข้ามาเป็นเครื่องมือแก้ทุกในปัจจุบันทราบนี้ให้ได้ อ, อ, อ, อ, ไอันนี้เป็นภาคต้นการรู้เรื่องสมมติ พ <About> ากต่อไป <No. S 2> ให้รูความคิดมันนึกมันคิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจสกอม่มันตอยนมันจะสมมติมันคิดลอยเรื่อง เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เข้าใจมันเลยบัดนี้เรามาปฏิบัติมันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสมันได้เรื่องหนึ่ง <Only> มันก็ไม่ถึงร้อยแล้ว no, not, เราทำความงู้สึกให้มากๆเ uh, มื่อมันคิดขึ้นมาเร right. เรารู้ <Yeah. S 2> เราเห็นเราเข้าใจได้ผิดเรื่อง มันก็ลดน้อยลงมายังเหลือดูเท้าจิดเรื่องที่เรายัางไม่รู้ที่เรายัางไม่เข้าใจกับมันถ้าหากว่าเรารู้ถึงห้าจิตเรื่อง <c oughs> ที่ o ุ know ถ้าหากว่าเรารู้ถึงห้าิเรื่องที่คุณรู้ เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจมันก็ยังห้าสิบเรื่องถ้าเรารู้มากเข้ามากเข้าถึงแปดสิบเรื่องถ้รู้มามากเข้าแปดเ่มันก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยื่สิบเรื่องเท่านั้นมันทำเหมือนวิทีบวกกับลก เมื่อเรารูมาา้มากเข้ามากเข้าโมหันต์ถึงเก้าสิบห้าเรื่องยังเหลืออยู่ห้าเรื่องตอนนี้เป็นบทที่สำคัญเมื่อเรารู้ถึงเก้าสิบห้าเรื่องแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆ อย่างนานไม่ถึงสามสิบวันจิตใจของคนทุกคนผู้ปฏิบัตินั้นจะเปลี่ยนหนักออกให้มาสู่ความเบา too, จ่ไระไลความโง่ออก ให้มือความสลาดขึ้นมาจะไล่ความไม่รู้ออกไปความรู้จะเข้ามาแทนไล่ความเป็นปุถุชนออกไปัวความเป็นพระอริยบุคคลจะเข้ามาแทน อันนี้เรียกว่าเป็นผ้าทางจิตทางใจผู้หญิงก็เต็มได้ผู้ชายก็เต็มได้เด็กก็เต็มได้คนแก่ก็เต็มได้ คนรวยก็เป็นได้คนจนก็เป็นได้ตลืนเงพราะสิ่งเหล่านี้มันมีแล้วอยู่ในคนทุกคนไม่ ย, ย้องเดือ huh. แต่สำคัญบุคคลพ่กนั้น ไม่ปฏิบัติให้รู้เท่านั้นรู้จิตคิดเวลามันจึงถูก ป, กปิดเอาไว้ค so วอหน้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา hope, การทำความรู้สึกนี้เป็นการนายของที่ควมบ บิดเข้าจะตงเลยบิดเข้าเป็นการเปิดของที่ปิดเมื่อเปิดของที่ปิดแล้วจะเกิดยานปัญญาเกิดขึ้นคอยแส้เห็นวัตถุอ นักที่อมนักเห็นพัลมาต์ที่เปรามาตอทุนทุกเห็นอาการที่นี่สารอย่างนี้เป็นทักหนึ่งอสเตเลีนอาบเอ็กออิจินออริจิโน แล้วต่อไปจะเห็นโทรศัพแล้วเห็นโมหะแล้วก็เห็นโลภะสามอย่างนี้ ผู ấn, tag, you, you ้ใดผู้เรียกเอย่างนี้ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ เรียกว่าสิ่นนั้นหายไปเป็นบหาผู้ใดรบดมีโพธิมากจะเล้นโพธะก่อนอันเดียว er แต่กะทำว่าที่อันเดผู้ใดมีโมหะมากลรู้ละเรหะหลุด จะเห็นจะเห็นโมหะ ก, กองผู้ใดมีโลภมาก mm hmm. mm hmm. จะเห็นโลภกอง ดังนั้นความเห็นแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ก็เหมือนกันคือทาลายโพสะโมหะโลภะเหมือนกันธรรมะกัจจธรรมนั้นคือสิ่งเดียวกันเท่านั้นแล้วก็เห็นเลทานา แล้วก็เห็นสัญญาแล้วก็เห็นสังขารแล้วก็เห็นวิญญาณอันนี้เป็นอารมณ์ประมาทขั้นต้น ทุก euh, คนต really ้องรู eso, really ้อย no ่างนี mm ้หากไม่รู้อย่างนี้ไม่ใล้เป็นธีที่ปฏิบัติให้คนทุกคนขั้นต่อไป ให้เอาสติมาดูจิต ด, ดูใจตัวเองต่อไปเป็นที่มีตเ่มอที่เป็นจที่เ้ทจ่ม่อะมีงานเกิดขึ้นอีกเป็นน kind of คอผู้ปฏิผู้ปฏิบัติป อยาลรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเห็นสิเลตต์ิดติดลื่นร้อยๆลื่นโยกแล้วก็เห็นกันติดติแล้วก็เห็นตันหาที่ไดยแล้วก็เห็นอุปทานที่ แล้วก็เห็นกรรมเมื่อเราเห็นเมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจกับมันจริงๆิเนียมันจะหายหน้าหนีนเองมเผมมุดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังเห ม, มือนอกับคนร้ายที่จะมาลักของหลา เมื่อเราเห็นคนร้ายแล้วคนน่ายจะหายหน้าไปเองที่ที่ดที่ดีมันจะเข้ามาเอาของเราไม่ได้สันใดก็สันนั้นเวฟปฏิเสธที่ เมื hmm. ko ่อเราทำความรู้สึกได้มากๆการไม่รู้สึกมันก็หายไปเองการโคษการแสดง นั่นเป็นภาษาที่พูดให้ฟังขอให้พวกท่านทั้งหลายผู้ฟังตั้งใจปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนขับรถโซ่มังคำพูดที่สาธิ ต, ต, ตดิฉัน ดูที่ไหนก็ปฏิบัติได้ที่เรามารวมกันที่นี้หยาแ้มายถึเ <c oughs> เรามา <c oughs> ให้เห็น <c oughs> ให้รู้ <c oughs> ให้เข้าใจ <c oughs> คือคนนั้นก็มาคนนี้ก็มา หลายคน ห, หลายคนพร้อมกันมาปฏิบัติที่นี่เมื่อท่นานทั้ง ห, หลายทุกคนมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจแล้ว ช you know ่วยกันเผยแผ่่อเพ็นมที่จะมาแบบเร่งรัดให้บุคคลผู้ที่ยังไม่รู้ได้รู้ขึ้นมา no. No. No. พว่านูหนูหนพูดให้บุคคลที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังให้คนได้ยินได้ฟังขึ้นมาโอเคสิ่งของเพราะว่ามีหนูหนูหนู อันนี้อันนี้เลยเป็นการสร้างอนิสงส์สร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ที่ได้เล่าให้ฟังมาวันนี้ก็เห็นว่าเป็นควรเป็นเวลาเลยนะ เรจะด่นเันบใครมีป well? ัญหาอะไรถามกได้ที่คระโยเพมีีกเลยรด r e x t d I can assure that all of you can prove. I think all of you will try to prove for yourself.